ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนออากังขยสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยความหวังเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติพัฒนาจิตไปตามโครงสร้างหลักของไสยสิกขาคือศีลสมาธิปัญญา แต่กระับสั่งว่าพุสธินั้นควรเป็นผู้แกะทาให้บริบูรณ์ในศีลกรณีก็ถือว่าศีลสิกขาประกอบทำเครื่องระงับจิตอันเป็นไปในภายในไม่ทำชาในเหินห่างแอ่นี้ก็ถือว่าเป็นจิตสิกขาและประกอบไวิปัสสนาเพิ่มพูนการอยู่ในสุญญาคานก็เป็นส่วนของปัญญาสิกขา คือเมื่อเรากล่าวโดยสรุปว่าตัวเหตุที่จะให้เกิดผลเป็นการลดละอย่างคลายของกิเลสแล้วก็ความลดลงของความทุกข์เนี่ยนั้จะพูดโดยปริยายอะไรก็ตามแต่องค์ธรรมเหล่านั้นก็คืออยู่ในไตรสิกขาหรืออยู่ในอริยมรรคปิองแปดประการเพราะว่าเป็นกลุ่มของภาเวตประธรรม คือธรรมะที่จะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติแต่ว่าเวลาทรงแสดงก็ทรงแสดงโดยปริยายต่างๆแต่ในที่นี้เป็นการแสดงแบบนิปริยายเลยคือข้อความจะเหมือนกันมาจนถึงระดับที่ส4บสี่แล้วเป็นพวกเจโตปริยานความหวังที่ส5บห้าเป็นปุกเพนวาสารตญยาน คือยานที่ทำให้อย่างรู้ชาติปางก่อนของตนเองและของบุคคลอื่นได้จึงเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าในปฐมยามแห่งรัษีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสภาพของตัวความรู้ในชาติภพเนี่ยเวลามีการอธิบายขยายความและจะเหมือนกันก็ถือว่าเป็นแนวนิ ป, ปริยายคือ แสดงในยะอย่างนี้แสดงไว้ในยะเดียวคือหมายความว่าเวลาปฏิบัติพัฒนาไปตามโครงสร้างของใจสิกขาดังกล่าวนี่พอถึงจุดหนึ่งจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเป็นสมาชิไม่มีกิเลสปราศ จ, จากกิเลสเป็นจิตอ่อนพร้อมจะน้อมไปเพื่อรู้และตัวความรู้ก็จะเกิดผุดขึ้น กระรับสั่งว่าลูกกรพิกษตทั้งหลายถ้าพิกษุจะพึงหวังว่าเราพึงระลึกชาติก่อนได้เป็นนันมากคือพึงรลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสาชาติบ้างก็นับไปเรื่อยๆนะฮะนับไปจนถึงกับไม่มีที่สิ้นสุดใช้คำบาลีว่าตลอดวิวัตตะกับเป็นนันมากบ้าง ตลอดสังวัตกบและวิวัตกับเป็นนั้นมากบ้างตัวเลขนี้ไม่รู้เท่าไหร่เคยนับกันไม่ไหวไม่ไหวมันเป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะว่าโดยพระยานของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่แสดงไว้ในนิเทศแห่งบุพเพนวาสาธิยานคือแสดงว่าสังสารวัตรยาวนานมากๆ จนไม่สามารถจะคิดออกมาเป็นตัวเลขได้แต่ถ้าเราศึกษาจากนักวิชาการปัจจุบันพวกประวัติศาสตร์พวกโบราณคดีพวกธรณีวิทยามันก็พูดไปไม่เท่าไหร่ท้าที่เคยพบตัวเลขว่าเท่าไหร่สี่พันห้าร้อยล้านปีแต่ว่า ถ้าเราเทียบตรงนี้ถ้าสี่พันหนึร้อยล้านที่จริงมันก็นับได้นะฮะเพราะมันยังไม่ถึงอสงไขยเลยแต่ของพระเจ้าเนี่เกินนั่นไปเยอะเพราะนั้ว่ากลับอย่างเดียวนี่ก็แย่แล้วมันรู้จะนับยังไงเวลาพูดมันต้องพูดกันโดยอุปมาว่าคําว่ากลับอายุโลกเนี่ยโดยอุปมาว่าเหมือนกับ มันมีภูเขาที่ล้อมรอบด้วยกำแพงด้านละยศสูงกว้างยาวด้านละยศทั้งสูงทั้งกว้างทั้งยาวในด้านละย์คือสี่เหลี่ยมจตุรัสแล้วก็ร้อยปีเนี่ยมีคนเอามาเล็ดพันผักกาดมาโยนลงไปในะที่นั้น จนเมล็ดพันุ์ประกาศที่เต็มสมมติว่าโยนไปแล้วไม่ได้หายไปเนะ่สมมติว่าเต็มเนี่ยก็ยังไม่ถึงกลับบางครั้งก็พูดถึงว่าการเอาผ้าละเอียดอ่อนเนี่ยมาพัดบนก้อนหินซึ่งสูงเป็นโยอดให้มันสึกกร่อนลงไปราบกับพื้นดินก็ยังไม่นับเป็นกลับตกลงว่าตรงนี้นับไม่ไหวนะ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาเพราะว่าของพระพุทธเจ้านั้นท่านสัจสรูบ้บรรจบแล้วความรู้ที่เกิดขึ้นจากการสัจสรู้นี่จบลวมันไม่มีต้องศึกษาค้นคว้าใหม่อะไรอีกแล้วคือข้อมูลตั้งหลายสมบูรณ์ที่เรารู้ไม่ถึงเนี่ยหมายความว่าความรู้เราไม่ถึงมันไม่ใช่ความจริงของสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นอย่างนั้น ้นถ้าเรายอมรับในด้านนี้ก็แสดงว่าสังสารวักรนั่นยาวนานก็ในพระพุทธุถาที่ทรงเปล่งตอนสัสรู้ใหม่ๆก็ทรงทรงใช้ัำว่าอนเนกชาที่สั่งสารังอนเอกอนกอเนกะนี่ที่ยึงมาแปลไม่ใช่หนึ่ง คือหมายความมานับกันไม่หวาดไม่ไหวแต่พ อ, อนิเทศของปเุเปนวสัสติญานจะทรงอธิบายอย่างนี้ทุกคำนะฮะคือเหมือนกันทุกคาเราจะเปิดที่ไหนก็เหมือนกันก็จะเจอข้อความเหมือนกันแล้วก็รับสั่งถึงรายละเอียดในแต่ละพบแต่ละชาติ ท, ทรงอุบัติว่า ในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีพิพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเศรษสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วก็ได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีพิพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเศรษสุขทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นแล้วครั้นจุติจากภพนั้นก็ได้มาเกิดในภพนี้ เราพึงระลึกชาติก่อนได้เป็นนั้นมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุทเทศด้วยประการชนีเถิะก็หมายความว่าปเุเพนหรือ ว, ว่าสารตยานเป็นผลนะฮะมันก็เป็นตัวสัมมาญาณซึ่งเป็นผลรวมของอริมักมิองแปดประการระดับหนึ่งเพียงแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์แล้วเกิดผุดขึ้นก็ทำให้รู้ ต้นความรู้เหล่านี้มันเป็นความรู้ระดับยานซึ่งก็เหมือนกับความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ที่ใช้กล้องโทรทัศน์สองดูระบบสุริยะจักรวาลหรือความรู้ของแพทย์ที่ดูเชื้อโรคดูไวรัสต่างๆด้วยกล้องจุลทรรศน์หรือกล้องอิเล็กตรอนมโครสโคปไปเลเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นอ่ะยานธรรมะเองยังไม่เคยดูเลยกล้องจุลทรรศน์เนี่ย เพราเราก็เชื่อหมออย่างที่หมอบอกมาอย่างไงเราก็เชื่อเพิ่มความรู้ระดับยาดเนี่ยถ้าเราไม่มียาดใ น, เ, นเราไปวินิจฉัยอะไรไม่ได้มันมีแต่เชื่อยอย่างเดียวที่นีการเชื่อเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายเพราะว่าภพชาติเนี่ยมันไปสืบเรื่องกับกรรมกรรมมันสืบสืบสืบเรื่องกิกเลสความเข้มข้นของกิเลส หมายความม่าถ้ากิเลสมีความเข้มข้นสูงนี่กรรมจะเป็นบาปมากแล้วพบชาติเนี่ยจะหยาบเป็นนิรยะนรกติระชานโยนิกราเนิดติระชานปิติวิเศษภูมิแห่งเปรตสุรกายปกสุรกายเพราะความทุกข์มันจะมากในพบชาติเหราทั้นทีนี้ถ้าเราเชื่อการเวรยียไว้แตายเกิดว่ามันเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากกรรม เราก็จะมัดระวังในตัวกรรมพยายามกระทากรรมที่เป็นกุศลการที่กรรมที่เป็นกุศลจะเกิดขึ้นได้เนี่ยจิตมันต้องเป็นกุศลที่จิตจะเป็นกุศลได้เนี่ยมกิเลสมันต้องลดการที่กิเลสลดเนี่ยแสดงว่าธรรมะเพิ่มการที่ธรรมะเพิ่มก็แสดงว่าใจเรามีธรรมเราสัมผัสความสุขความสงบความยืกเย็นในขณะนั้นนั้นแล้ว เพราะการเที่ในสังสารวัฏจึงไม่มีอะไรขาดทุนเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะก็ลองคิดดูเถอะเราเชื่อว่าทำดีได้ดีทํงชั่วได้ชั่วเราเชื่อว่าคนทำชั่วตายไปตกนรกทำดีตายไปเกิดในสวรรค์เนี่ยมันเป็นตัวผลักดันที่สำคัญในเราละชั่วประพฤติดีเราก็ได้ทำดีพูดดีคิดดีในแต่ละขณะเราก็เป็นคนดีในขณะขณะขณะขณะ แล้วก็อยู่ดีมีสุขในชาติภพนั้นนันตายไปแล้วตีต่างมาไม่มีนรกไม่มีสวรรค์มันก็ไม่ได้แปลกอะไรอะ่ะเราก็อยู่ดีมีสุขละพอมีนรกสวรรค์เราก็บังเกิดในสวรรค์ด้วยก็สุขซ้อนขึ้นไปแต่ตรงนี้เพิ่งสังเกตว่าโดยพระญาติความรู้ระดับญาติเนี่ยท่านรู้เบือนกัน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแก่ใครนะครับปุเป็นวาสาธิยานเนี่ยไม่ว่าจะเกิดขึ้นแก่ใครก็ตามมันก็จะเห็นพบชาติต่งตางๆแต่เนี้ยมีพวกฝรั่งเขาศึกษาค้นคว้าเป็นพวกแพทย์พยาบาลเนี่ยศึกษาค้นคว้าเอานางพยาบาลคนหนึ่งเป็นตัวถูกสะกดจิตและแพทย์คนหนึ่งทําหน้าที่สะกดจิตคอยพยาบาลคนนั้นร ะ, ะลึกชาติ ก็เคยศึกษาติดตามเขาอยู่สองตอนตอนหลังสุดเดียรู้สึกว่าจะได้เท่าไรยี่สี่ชาติยแต่ว่าเล่มล่าสุดเดี่ยมาได้หกสบแปดชาติแต่ยังไม่ได้อ่านป่านแล้วก็มันรู้ไม่ค่อยละเอียดคล้ายๆกับเป็นแผ่นสไลด์คือเป็นภาพสไลด์ มันไม่มีความต่อเนื่องไม่เหมืองกระชาดกที่พระเจ้าเล่าที่เจ้าเล่าเนี่ยให้รายละเอียดให้รายละเอียดหมดเหมือนกับชีวิตเราในวันนี้เจนคนที่มีสติปัญญาดีมีความจาดีเนี่ยเราอาจจะจาได้เป็นวันเป็นเดือนเป็นหลายๆลายเดือนเป็นปีเป็นหลายๆ ล, ล, ลายปีแล้วก็นำมาเล่าในปัจจุบันมันก็เป็นเรื่องอดีตนะะ แต่ เ, เรื่องอดีตแต่เพราะเป็นวันในอดีตเป็นเดือนในอดีตเป็นปีในอดีตทีนี้ท่านทะลุเป็นภบชาติในอดีตท่านนั่นเองตัวเหตุก็รับสั่งเหมือนเดิมว่าภิกษุนั้นควรเป็นผู้กระทาให้บริบูรณ์ในศีลประกอบธรรมเครื่องระงับจิตอันเป็นไปในภายในไม่ทำชาญในเขืนห่างประกอบพระวิปัสสนา เพิ่มพูนการอยู่ในศุญยาขารคือที่ว่างที่สงบเงียบในข้อที่ส6ความหวังที่ส6เป็นการพูดถึงจุตูปาฏยานคื อ, อยานที่อย่างรู้การจุติการอุบติของสัตว์ทั้งหลายที่มีความยิ่งมีความย่อนแตกต่างกันไปพวกนี้ในะบางกรณีก็อาจจะเรียกว่าที่ประจักษ์สูนะครับ แต่บางกรนีก็เรียกว่าจุตูปปาตยานก็นแล้วแต่ก็คือกันรับสั่งว่าดูก่อนพิสูจน์ทงหลายถ้าภิกูจน์จะพึงหวังว่าเราพึงเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบติเลวประณีตมีผิวพันธุ์ดีมีผิวพันธุ์สา ม, ดมดได้ดีตกยากโดยทิปจกักษุอันบริสุทธ์ล่วงจกักษุของมนุษย์พึงรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่า สระตัวนี้ประกอบด้วยกายทุจริตวิจีทุจริตมโนทุจริตเรื่อีเรื่องใหญ่นะตรงนี้ทรงอธิบายมาทางสายของอภิญญาอย่างที่ว่าเพราะในอภิญยานี่ยจะเรียกตรงเนี้ยว่าที่ไปจักสุขแต่ถ้าในสายญาณเนี่ยจะเรียกตรงนี้ว่าจยูตยัปปาตญาณก็ก็คือกันนะเพียงแต่ว่ามีจุดเน้น ซึ่งบางทีก็ก็ไม่ต่างกันตรงนี้เราจะเห็นว่าอาจจะเรียกว่าจตุปัตยานก็ได้เรียกว่าทเทปจักษุก็ได้ก็แสดงเห็นว่าสัตว์ที่ประกอบด้วยทุจริตทางกายทางวาจาใจเนี่ยตีเตียนพระอริยเจ้าอันนี้เป็นเรื่องแปลกนะมีอยู่ทุกแห่งเลยมันก็เป็นปัญหาที่น่าคิดว่าทำไมคนชอบตีเตียนพระ เพราะว่าการติเตียนคนอื่นเนี่ยมันปลอดภัยยากมันจะมีการโต้อตอบมันเจอญาติพี่น้องเขาลูกน้องของเขาเพื่อนของเขาพี่น้องของเขาอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ที่การติเตียนพระเนี่ยพระนี่ท่านไม่โต้อตอบแล้วลูกศิษย์ พ, พระจริงๆเขาก็ไม่โต้อตอบมันมีชาดกอยู่เรื่องหนึ่ง ผมมีคนคนหนึ่งเขาไปศึกษาศิลปะการดีดกรวดในสำนักของอาจารย์สามารถดีดกลวดไปกระทบอะไรก็ได้ให้เป็นรูปร่างต่างๆตามที่ต้องการเป็นศิลปะเป็นเครื่องมือในการหากินของคนในยุค น, นั้นทีนี้ต่อมาอาจารย์ก็บอกว่าให้ไปลองดีดแก่สิ่งที่มันเคลื่อนไหวได้ก็ไปดีดใส่ตาสัตว์บ้างอะไรแต่อะไรบ้างก็ได้นะฮะก็ถูกหมด แต่ก็คนเนี่ยยังไม่กล้าดีเพราะว่าพอเจอคนมันก็เจอญาติพี่น้องเขาผู้งแง่คนก็มีเจ้าของอะ่ะคนเป็นผู้ที่มีครอบครัวพอที่ไปเจอพระปัจเจกพุทธเจ้านะก็มานั่งเข้าสมาบัติอยู่ไม่ใช่นั่งเข้าสมาบัติอะ่ะ ก, ก, ก็ก็สื่อเดินฮะจะเดินไปอันนี้บอกเออพระเนี่ยไม่มีเจ้าของไม่มี ญาติพี่น้องไม่มีครอบครัวเพราะงั้นก็ดีดได้ก็เลยดีดเลยดีดไปถูกเอาตาของท่านบอดละเนี้ก็ทำให้เราเห็นลักษณะอย่างหนึ่งแม้แต่ในะสังคมเราในสังคมพุทธแท้ๆนะฮะสังคพุทธแท้ๆ ท, ที่ชอบชอบด่าพระ ในแต่ปัญหาวันจันทร์นะถ้าลองสังเกตว่าอย่างน้อยหนึ่งคำถามนะที่ด่าพระทุกครั้งจะมีแต่ลักษณะอย่างนีน้แต่ว่าเวลาเราไปตอบปัญหาเด็กเนี่ยปรากฏว่าไม่เจอปัญหาด่าพระพอไปตอบปัญหาครูเนี่เจอปัญหาด่าพระกับด่าตำรวจที่เยอะพอไปตอบปัญหาพระก็จะเจอปัญหาด่าพระผู้ใหญ่ แล้วก็เป็นเรื่องแปลกเพราะงั้นบาปรกรรมในการติเตียนพระเรเจ้าเนี่ยคือพระเจ้ารับสั่งกับพระเจ้าประเสริฐนิโกสโว่าไฟเนี่ยอย่าดูหมินว่ากองมันน้อยอสรพิษเนี่ยอย่าดูหมินว่าตัวมันเล็กแล้วก็ภิกษุเนี่ยอย่าดูหมินว่ายางนม กษัตริย์อย่าดูหมิ่นวาทรงพยาวมันเป็นอันตรายคือพระบางรูปท่านเป็นพระยาบุคคลทีนี้พระรยบุคคลเนี่ยไม่มีอะไรบอกเลยว่าเป็นอันพระยาบุคคลนอกจากท่านรู้ของทัานคนเดียวทีนี้เราไปก้าวล่วงไปละเมิดไปด่าว่าไปนินทาท่านอย่างที่เคยเล่าเรื่องคนที่จับลง หลวงพ่อปานที่เมืองนครนะฮะสมัยสมัยก่อนสงครามโลกก็คนที่จับขาของท่านเนี่ยขาเป็นอมภพุทธเป็นอมภาตจับมือมือเป็นอมภาตคนที่ทางปากท่านเพื่อให้เพื่อนกรอกเล้าเนี่ยปากเปื่อยและคน เออไม่ใช่ปากเปิดยคือปากอ้าไม่หุบแต่คนนิกรอกเล้าเนี่ทั้งคอเนี่ยพองหมดเลยทั้งคอลงไปไอนน้ปากนี่พองลงไปทั้งหมดแต่นี่เป็นการด่าว่าด่าว่าพระเจา้าบางชีนี่แม้แต่โกหกนะฮะแม้แต่โกหกพระเจ้าเนี่ยอย่าง พระปิลินทวชะแต่เรียกว่ามีวัสรวาทะถือท่านใช้คำเป็นวาสนาของท่านเนะ่เป็นพระหารบริสุทธิ์หมดจดแต่ว่าคำเนี่ยเวลาท่านใช้เนี่ยไม่เคยเพอเป็นไหนเจ้าถอยทำอะไรเจ้าถอยขายอะไรเจ้าถอยเลยใช้คำอย่างนี้วันหนึ่งก็ไปเจอคนขายผานไถ มันก็คลุมของอยู่ท่านก็ถามว่าขายอะไรเจ้าถอยอันนี้โกรธว่าพระอะไรพูดไม่น่าฟังเลยเลยตอไปขายขี้หนูท่านบอกเออขี้หนูก็ขี้หนูพอไปถึงตลาดมันเปิดขึ้นมาจะขายมันกลายเป็นขี้หนูไปจริงๆต้องขับเกวียนกลับไปกราบขอกมาโทษท่านแล้วท่านก็บอกเออผ่านก็ผ่าน มักลายเป็นผานขึ้นมาได้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอิจิวิสัยนะฮะเป็นวิสัยของท่านผู้มีฤทธิ์และก็เป็นกรรมมอวิปากวิสัยเป็นวิสัยของกรรมแล้วก็ผลของกรรมไม่มีคำอธิบาย <S <S <ไ>ข้อต่อไปก็บอกว่าเป็นวิชาทิฏฐิวิชาทิฏฐินี้เราเจอบ่อย มิจฉาทิฏฐิที่แรงก็ถือว่าแน่นอนว่าตกนรกเนี่ยคือนิยตะมิจฉาทิฏฐิถือว่าการกระทำไม่เป็นการกระทาถือว่าผลทั้งหลายไม่ได้มาจากเขตถือว่ากรรมก็ดีสังสารวัฏก็ดีนะแม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่มีอยู่ในรกเนี่ยพวนี้ก็เรียกว่านิยตะมิจฉาทิฏฐิคือมิจฉาทิฏฐิที่ดิ่งปากหัวลงไปเลยแล้วก็ เป็นวัตตะขานุคือหลักตอของวัตตะแก้ไขไม่ได้ก็ตราบใดที่ท่านยังไม่เลิกเนี่ยตราบนั้นก็จบสิ้นกันไม่มีโอกาสได้ผูดได้เกิดก็ผูดเกิดนั่นแหละแต่ว่าพบชาติมันไม่มันไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางดีแล้วก็ยึดถือด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิอะไรก็ได้ ทำดีไม่ได้ดีทำชั่วได้ดีพ่อแม่ไม่มีคุณอะไรอะไรเนี่ยการให้ทานไม่มีผลการบูชามีผลสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็แย่แล้วเช่นเาทำดีไม่ได้ดีทำช่วไม่ได้ช่วอย่างเดียวก็แย่แล้วนะฮะข่าวลกก็พงหายไปเลยเพราะนั่นคืออะไรคือนักติกาทิฏฐิแล้วก็เป็นอัคิยาทิฏฐิเป็นพวกนิยตามิชาทิฏฐิ เขาเรียกว่าอย่างเบาๆนี่คือเข็นผิดจยากทานองครองธรรมนท่นเนี่ยถือว่าการขษาสัตว์ได้บุญอย่างเงี้ยการลักทรัพย์คนชั่วไม่เป็นไรอะไรแต่อะไรต่างๆเนี่ยที่ยิงบาปทั้งนั้นน่นะแล้วก็บอกว่าเมื่อตายไปเขาจะเข้าถึงอบายทุกติบินิบาตนะรกุทธุจริตนะ ทรงแสดงผลอย่างนี้ทุกทีนะไม่ใช่เฉพาะทีนี้มันเป็นกฎธรรมชาติพระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างขึ้นแต่ว่าพระเจ้ทาทรงชี้บอกว่าถ้าเหตุมันเป็นอย่างนี้ผลก็จะเป็นอย่างนี้แหละทีนี้สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยสุจริตทางกายทางวาจาทางใจเนะเป็นสัมมาทิฏฐิคือมีปัญญาที่เห็นชอบตามความเป็นจริง ถือว่าการกระทําคือการกระทํำตามกฎของกรรมที่สวดนี่ะเรามีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกรรมเนื่มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเปที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมมันไดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นหรือถือว่าการให้ทานมีผลการบูชามีผลพฤติกรรมต่างๆมีผลการทําดีทําชั่วมีผลแม่มีคุณพ่อมีคุณโลกนี้มีโลกหน้ามี สัตว์ที่ตายแล้วเกิดมีถ้านีด้รู้แจ้งโลกนี้แล้วสอนให้บุคคลอื่นรู้แจ้งตามนั้นมีอยู่อย่างนี้ก็เป็นสมถะทิฏฐิปัญญาจะเห็นชอบตามตานองของธรรมถ้าฟังลองสังเกตว่าเรื่องใหญ่จริงๆเนี่ยมันก็คือกุศลกบฏสิบเป็นกายสุจริตอยู่สามวิจิตสุจริตอยู่สี่มโนสุจริตสาม ทำไปทำมาก็อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ากรอบแต่ละคําเนี่ยแม้แต่กายสุจริตอย่างเดียวการไม่ร่วงละเมื่อสิทธิในชีวิตของบุคคลอื่นนี่กรอบเป็นใหญ่มากมีความระเบียดละไมมีความลึกซึ้งอย่างนึกถึงเด็กๆที่ภาคในะ่ย แต่มาเคยบอกไ้หลายครั้งแล้วบอกว่าคนพวกนี้อายุไม่เกินสี่สิบไปจริงเรารู้มานานนะนะรู้มาหลายปีแล้วว่าคนไทยกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปศึกษาทางตะวันออกมาตนอนอกกลางไม่ใช่ทุกคนหรอกในรูปของการก็การร้ายในรูปของวินาศกรรมแต่มีคนกลุ่มหนึ่งนะฮะก็ไปทางเครือคอมมิวนิสต์ ในข่าวสมัยนั้นก็ประมาณสักสามสี่ร้อยก็มานึกคํานวณอายุเขาพวกเธอก็แถวเนี้ยแถวประมาณสักยี่สิบกว่ากว่าจนถึงสามสิบกว่ากว่าเพราะโอกาสที่เราเจอสี่สิบขึ้นนี่จะยากนอกจากตัวหัวหน้าเอาหน้าใหญ่พวนี้ทําบาปกันเยอะนะเป็นบุคคลที่น่าสงสารว่าเขาทําบาปกรรมมาเยอะมาก คือคนฆ่าคนตัดคอได้เนี่ยแมมันมันหักหรือโหดมากๆเลยภาพเราเนี่ยเคยเห็นสมัยนานมาแล้วตอนเมรไม่คอมมินิสต์เนี่ ย, ยเหตุฐานเด็กๆของขเขมรนะตัดหัวปวกประชาธิปไตยเนี่ยปกกกบิ้นแดงเนี่ยตัดหัวแล้วก็ยืนถือหัวสองมือนะ สายปืนแล้วก็แอคชั่นถ่ายภาพไปดูโอ้โหเราก็ตกใจเลยว่าเด็กพวกนี้ต่อไปแกโตขึ้นาแกแกจะขยายความคิดเหล่านี้ออกไปมีแนวร่วมคิดอย่างแกทำอย่างแกพูดอย่างแกจแะถับะไรเพราะว่าโลกเนี่ยเขาเรียกว่ามิสาทิฐิสมาธานาสัมมาทิฐิสมา ธ, ธ, มาธานา สมาทานมิชชาทิฏฐิหรือสมาทานสมาทิฏฐิพูดง่ายๆว่าดำเนินชีวิตไปด้วยความเห็นผิดหรือความเห็นชอบแล้วมันสามารถจะชี้นำคนได้ทั้งสองข่ายชวนข้าวรอกข้าวพงลองนึกดูการเกิดขึ้นของฮิตเลอร์คนหนึ่งสตาลินคนหนึ่งมุสโอลินีคนหนึ่งเนี่ย โอเจอตุ้งคนหนึ่งโอ้โหคนตายกันมหาศาลมากเลยการเกิดขึ้นของศาสดาทั้งหลายนะเราจะเห็นว่าอย่างการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีใครต้องบาดเจ็บล้มตายการเกิดขึ้นของพระเยซูที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรามองด้วยความเป็นธรรมก็ไม่มีใครบาดเจ็บล้มตายเพราะการสอนของท่าน เป็นวาแต่ว่าพวกที่หลังไปตีความอะไรผิดๆแต่นั้นตอนพวกนี้เป็นสัมมาทิฏฐิคือสมาทานสัมมาทิฏฐิมันชี้นำโลกชี้นำความคิดโลกไปได้แต่ตามปกติแล้วคนกลุ่มนี้เราจะติดต่อเขาได้ยากคือว่ายัางมองว่ารัฐบาลเองมันเป็นเรื่องที่แปลกแต่จริง ตั้งศูนย์คุณธรรมนะเอาชาวบ้านซึ่งมีปัญหาขัดแย้งกับองค์การคณะสงฆ์แล้วก็มีความเห็นเพียเพ้ยนๆอยู่เรื่อยเนี่ยเป็นประธานศูนย์คุณธรรมแล้วพระละ่ะทำไมไม่มอบหมายคณะสงฆ์ดําเนินการอย่างน้อยๆเนี่ยองค์การพุทธเนี่ยพุทธสมาคมอยู่พุทธิกะสมาคมเย ซึ่งเขาไม่ได้ขัดแย้งกับพระไตรปิฎกทำไมไม่เอาวนเวียนี่เราจะเห็นว่าคนชี่นำความคิดสังคมเนี่ยมันก็ชี้นำเพียเพ้ยนๆในทกุลเนี่ยหรือแม้แต่คนยกย่องกั น, กนอยู่พวกกรรมการสม า, านาชันออกมาสามัมภาษณ์ทีๆเราก็สยองนะคือมันพูดได้แต่แก้ปัญหาไม่ได้ ปัญหาที่เกี่ยวกับมาตรการในกฎหมายมันต้องแก้โดยกฎหมายให้ได้ด้วยโดยใช้กฎหมายแล้วค่อยว่ากันทีหลังอีกรอบหนึ่งแต่กฎหมายจะต้องได้รับการปฏิบัติไม่ใช่ว่าพอคนเกาะกลุ่มกันมากๆละเมิดกฎหมายได้พอถึงจุดหนึ่งก็ใช้พลังบีบตั้งตัวเป็นบีรชนบีไปรัฐบาลออกกฎหมายนิรโทษกรรม หยดหนึงก็ล้างบนทินเนี่ยมืองไทยเราชอบทำนะฮะชอบทําในเรื่องแบบนี้แต่อย่าลืมว่าบาปเนี่ยมันล้างไม่ได้หรอกล้างด้วยกฎหมายไม่ได้บาปล้างด้วยการไม่ทําแต่นั้นเองถ้าทาไปแล้วเราไปล้างไม่ได้คนเราจะต้องนึกถึงชีวิตที่มีความตายมันรอยอยู่ข้างหน้า แล้วจะไม่เอาอะไรมากเพราะเราเห็นว่าคนที่เป็นสมาธิทิเนี่ยเขาจะละเมียดละหม่มากแม้แต่วความคิดเดียวจิตตุปบาทขณะจิตเดียวเนี่ยก็กํากับไปเพราะว่าขณะจิตเดียวในดวงเหนี่ยวไปสู่นรกได้ดวงเหนียวไปสู่สวรรค์ได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ในะขณะจิตเดียวนี่นะเวลาท่านบนรรลุมรรคผลนิพพานกับบรรลุได้ขณะจิตเดียว ไปบังเกิดในนรกไปบังเกิดในสวรรค์ก็ขณะจิตเดียวบรรลุฌานก็ขณะจิตเดียวไม่เป็นเรื่องขณะจิตเท่านั้นเองแต่สมาธินั้นเ็าจะเป็นฐานแล้วก็ทรงประกันผลไวแร้ไม่ใช่ประกันผลนะคือสแสดงถึงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นว่ายึดถือการกระทำด้วยอำนาจสมาธิเมื่อตายไป เขาจะเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ดังนี้เราพึงเห็นหมูสัตว์กำมังจุติกำมังอุบัติเลวประนีดมีพิพันธ์ดีมีพิพันธ์นนสามได้ดีตกยากด้วยที่ประจกักษสุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุของมนุษย์พึงรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการเราจะนีเถิดดังนี้แล้วก็สมงเน้นคุณธรรมเหมือนเดิมแน่นอนตรงนี้ที่จริงเป็นผล เป็นผลซึ่งพอพูดพอแสดงไปแล้วเนี่ยคนที่มีพื้นฐานเชื่อก็อาจจะมีศรัทธาประสาทในศาสนายิ่งขึ้นแต่คนที่มีแนวคิดที่เป็นวัตถุนิยมเนี่ยอาจจะโจมตีอาจจะคัดค้านก็ได้แต่ต้องการให้ฟังประบาลีพุทธวัจนะมันอาจจะยากไปนิดนึงแต่ว่าให้ฟังไว้บ้างเพราะว่าเราไม่ค่อยได้อ่านพระไตรปิฎก ตังปัจเจกบิดกไว้แล้วก็ไม่มีใครรู้ดีถ้าเราพูดไดเจ้าหรอกเรื่องโลกเรื่องชีวิตเรื่องธรรมะเนี่ยพระเจ้าเป็นสัพพันธ์อูนะรู้ทุกอย่างแต่ก็ไม่สอนทุกอย่างไม่ทําทุกอย่างแต่นั้นเองก็สิ่งที่สอนนั้นจะเน้นหนักไปที่ตัวทุกเหตุเกิดของทุกความดับทุกและข้อปฏิบัติได้ถึงเรงความดับทุกคือจะเน้นไปที่อริยสัจสี่ แต่อย่าลืมอริยสัจสีี่มันครอบจั ก, กรวาลเรียงมองอยู่สังคมเราเนี่ยอ่อนแอจังนะฮะคือเวลาใครกล่าวหาใครในเรื่องไม่ดีแล้วจะกระโดดรับทันทีเลยแสดงถึงจิตที่มีวิหิงสามีริษยานะไม่ได้แสดงภูมิธรรมอะไรเลยนะฮะ แต่เวลาพูดถึงความดีของบุคคลอื่นทำไมเรารับไม่ได้เพราะว่าใจมริษยาใจมันแข็งดีใจมันมีมานะเพรา ะ, ะนั้นเราลองสังเกตว่าข่าวครา ว, าวการคอร์รัปชันโกงกินสารพัดเนี่ยเรารับลูกเต็มที่เลยโดยไม่ได้คิดโดยเหตุด้วยผลอะไร ยังอะไรเครื่องตรวจตรวจกระเปา๋าเอกสารอะไนี่เครื่องบินเนี่ยคือมาฟังเข้าใจนะะที่คุณวิษณุกออกเราก็เข้าใจที่คุณอะไรคุณสุริยะพูดเนี่ยเราก็เข้าใจเพราะมันไม่ใช่สินค้าที่วางในท้องตลาดที่ไปถึงก็โทรศัพท์สั่งได้ คือเราจ้างเขาทําม่ต้องจ่ายเป็นงวดเงินทั้งนั้นแหละที่ไหนมันก็จ่ายทั้งนั้นแหละกุฏิที่วัดมันก็จ่ายเป็นงวดสร้างถนนก็จ่ายเป็นงวดมันที่ไหนมันก็จ่ายเป็นงวดทั้งนั้นแหละทําไมไม่พยายามเขา้าใจยังงงเลยเนี่ยว่าเออคนไทยเราเนี่ยมันแปลกจริงเราพูดถึงความไม่ดีก็มาดื่อแล้วรับเช่เต็มที่เลยพอความดีแล้วก็ปฏิเสธ งั้นดูจิตฮะเราจิตเราร้อนเนี่ยะดูจิตมันได้ทาอะไรรับทำอะไรเหมือนก็โยนสิ่งโสกปลกให้ในรับทำอะไรรับไปเพื่อนทำอะไรมันเรื่องของเขาคือเราเห็นว่าคนบางคนในปีทั้งปีนะกล่าวหาคนอื่นอยู่ตลอดแต่ไม่เคยพิสูจน์ได้ และตอนพวกตัวเองเป็นรัฐบาลก็ไม่เห็นมีผลงานดีเด่นอะไรเราก็อยู่ในแผ่นดินนี้มาเหมือนกันอันนี้คือคือคือทํำยังไงว่าคนเนี่มันมีสัมมาทิฏฐิขึ้นมาหน่มีปัญญาที่เห็นชอบขึ้นมาหน่อยว่าอย่าลืมว่ามันเป็นแสดงถึงภพภูมิจิตของมนุษย์แน่นตรงเนี้ยเดีวเป็นคนดีเป็นคนชั่วในขณะที่เรารับรู้อารมณ์เนี่ย ทีเรา ย, ยินดียินร้ายเนี่ยแสดงว่ า, วากิเลสมาเกิดทั้งคู่นั่นแหละยินดียินร้ายเนี่ยทําไมไม่เปิดโอกาสละ่ะเมื่อมีการกล่าวหาในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนไวาจําเลยบริสุทธิ์แต่ทำไมตั้งตัวเป็นสารละตั้งตัวเป็นเป็นผู้พากษาเป็นศารชั้นฎีกาเสด้วยสิตัดสินเขาเลยไอ้นี่คือ คือเป็นเรื่องน่าคิดนะฮะเราเราจะเห็นว่ามันไปปลูกพันธ์กับชีวิตตรงนี้แล้วก็ตัวเหตุเหมือนกันกระรับสั่งว่าพิสูจน์นั่นควรเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลประกอบไปด้วยเครื่องระ ง, งับจิตเป็นไปในภายในไม่ทำชาญในหขนหงประกอบได้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนการอยู่ในสุญญากาศทีนี้ข้อที่สิบเจ็ดข้อที่สิบเจ็ด นันเนื่องจากทรงแสดงในรูปของอภิญญามันก็เป็นปุเพเป็ น, เ ป, นเป็นอาสวัคยานพรุนี้วิชาแปดก็เป็นอาสวัคยานนะฮะวิชาสามก็เป็นอาสวัคญานข้อสุดท้ายเนี่ยรับสั่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าเราพึงทําให้แจ้งซึ่งเจตวิมุตติปัญญาวิมุตติหาอาสวะไม่ได้ เจโตวิมุตรแปลว่าหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งใจหมายความว่าเราเริ่มจากส ม, มถากรรมฐานไปแไปถึงจุดหนึ่งก็ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาเหมือนกันแต่ว่าบรรลุมรรคผลเป็นพระหันถ้าเหล่านี้จะได้วิชาสามอภิญญาหกไปสามิทาสสีเนี่ยพวกสายเจโตวิมุตรแล้วพวกนี้มีบทบาทมากในการทำงานศาสนาเนี่ย พลันประหารประเภทนี้จะทํางานโดดเด่นนะคนสําคัญต้องคัญไม่ว่าพระโมคขลานะภาษาลิบุตรหรือว่าในยุคหลังพระโมคคลยบุตรพระนาคเกษในพวกนี้ทั้งนั้นสายใสยนี้เท่านั้สายเจตุวิมุต t นั้นปัญญาวิมุตินั้นเป็นการเริ่มต้นชี้วิปัสสนาปัญญายกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาพิจารณาสังขารตามกฎของปัจจัยลักษณ์ แล้วก็ถ่ายถอนตระหามันนทิชชู่ในที่นี้ทรงเน้นที่อาสวะนะก็อสวะก็คือการเป็นเป็นต่างกันที่ชื่อแต่นั้นเองพวกนี้บรรลุแล้วก็เป็นสุขวิปสัสสกคือคุณสมบัติเด่นเหล่านี้ไม่มีแต่ว่าก็เป็นพระรหันที่หมดกิเลสเหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ใครพอใจจะไปทางไหน แต่ว่าก็คือพระอรหันต์ด้วยกันเราต้องพูดถึงด้วยความเคารพด้วยกันนะนะอันหาอาสวะไม่ได้อาสวะก็คือกิเลส ท, ที่หมักหมมอยู่ภายในใจมันบรรลุอาสวะขยานก็ทรงแสดงไว้เท่าที่พบส่วนใหญ่เนี่ยจะมีสองหรือสี่ในกรณีที่สี่เนี่ยคือเรียกพวกโอฆ้าพวกโยค้าพวกกันถะพวกเหล่านี้เรียกคำคำหนึ่งว่าอาสวะเหมือนกัน อสวะคือกามอสวะคือภพอสวรรคคือทิฏฐิอสวรรค์ือว อ, อวิชชาเราจะเห็นว่าเป็นอาการของโลภะโทสะโมหะแล้วก็อสวรรสามที่เน้นมากนี่คือสามกามอสวะภวะอสวะวิชาสวะรคอสวะคคือกามในที่นี้เน้นที่ตัวกิเลสภายในจิตนะฮะเน้นที่ตัวกิเลสภายในจิตพวกนี้อยู่ดูลึกเป็นกิเลสประเภทอยู่ลึกคล้ายๆกับบารมี ควาภายในใจเราในสังสารวัฏยาวนานเราสะสมอาสวะคือกิเลสไม่ดีเนี่ยเ ร, เรียกว่าอาสวะกิเลสดีก็เรียกว่าบารมีมันก็ผสมอยู่ในจิตดวงเดียวกันอ่ะทีนี้ถ้าขึ้นอยู่กับอะไรมันมากอะไรมันน้อยถ้าบารมีมากแสดงอาสวะมันน้อยาอาสวะมากแสดงบารมีมันน้อยบางคนบางคนเนี่ยจะมีบารมี มีบารมีแก่กล้าโดดเด่นมาตั้งแต่เกิดเลยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเห็นว่าบารมีโดดเด่นเพราะนั้บารมีโดดเด่นขนาดนั้นมีคนเดียวในโลกเนี่ยที่เราสามารถจะสืบสารหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้นอกนั้นก็เป็นเรื่องเลา่าอย่างพุทธวงศ์เนี่ยเป็นเรื่องเลา่าเราก็พิสูจน์ไม่ได้หรอกแม้แต่พระเจ้าเองก็ต้องสองพันห้ารอกว่าปีลาหลักโดยลักษณะเด่นของบารมี ว่าบรารมีที่แก่กล้านั้นมันโลกธาน์มันอีกเรื่องหนึ่งเลยว่าถ้าว่าบรารมีท่านอาสาพะท่านแ ก, ก่กล้าเนี่ยอยู่ทํากลางสาวสารกำนันในตั้งแต่เด็กมาจนหนุ่มใหญ่เลยยเก้ปีในว่างไม่แต่สาวสาวทั้งนั้นลน่าจะมีพระราชโอรสเยอะเล ย, ยมีองค์เดียว แลตอนพระชนสายี่ลบเก้าลด้วยนั้นคือแสดงถึงว่าบารมีแก่กรามะมันไปสลายพวกกามาสวะเนี่ยกามาสวะภวาสวะวิชาสวะมันถูกสลายความเข้มข้นมันจางเพรา ะ, ะเราเห็นว่าภวาสวะความรู้สึกเป็นเนี่ยก็ไม่ได้ยึดติดในความเป็น เรานึกถึงภาพของเจ้าชาธิดาธะที่ไปเจอคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยเข้าไปประคองก็เลยแล้วไม่รู้สึกว่ามันจะแตกต่างอะไรมีกรุณายิ่งใหญ่มาไรอิชาสวะมันจางจนมองอะไรเป็นครูหมดแลวมองอะไรเป็นธรรมะได้หมดเลยและจิตานุภาพแรง พลัง ภ, ภาพของเมตตาจิตเนี่ยพระนลได้เล่าไว้ว่าเวลาไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยผู้สัตว์ป่าเนี่ยเดินตามเป็นพรนนูนนะรู้สึกอบอุ่นคุ้นเคยสนิทสนมสัตว์ที่ดุดุสัตว์เสือเสืออะไรต่วอะไรเนี่ยตามมาเป็นพรวนเลยเพราะฉะนั้นจริงจึงไม่เป็นเรื่องแปลกอะไรที่หลวงพ่อเจ้าอยู่ในป่าอยู่ห้าสิบเอ็ดปีไม่เคยถูกไอสัตว์ร้ายทั้งหลายประทุษร้ายเลย อันนี้คือพลานุภาพของบารมีเดี๋ยวตอนนั้นก็จัดสรุปไปแล้วนะฮะนั้นเราจะเห็นว่าการจะทำลายอาสวะเนี่ยมันตัวปัญญาหรือตัววิชาเนี่ยมันต้องเกิดเพราะว่าตัวรากใหญ่ของอาสวะคืออวิชาสวะถ้าเราตั้งใจเราถ้าสังโยต์ก็คืออาสวะไออาสวะสังโยต์ไออวิชาสังโยต ถ้าอนุสัยกับวิชาอนุสัยมั น, ม, นมันอวิชาทั้งนั้นน่ะอยู่อยู่ที่เป็นรากใหญ่รากงาวย่ยมันอยู่ตรงนั้นเรานเกิดปัญญาที่รู้ยิ่งเองในปัจจุบันที่ทรงแสดงแก่ปัญวคีโดยสรุปไว้ในตอนท้ายของอนัตตลักนัสูตรเป็นใจความโดยสรุปว่า พรดนั่นและภิกษุทั้งหลายขันห้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประนีก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีขันห้านั้นก็สักแต่ว่าขันห้าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราเอวเมตังยถาภูตังสมัปปัญญายาดัตบังข้อนี้อันเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ เพราะคุณสุบัตรตุเนี่ยเป็นพระยานที่ทำให้เป็นพระอรหันต์ที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้านะฮะคือถ้ายังไม่ถึงตรงนี้และยังไม่เป็นพระอรหันต์มันต้องบรรลุอสวรรคยานก่อนเพราะนภิญญาเนี่ยมันจึงมีห้าที่เป็นนอกพระพุทธศาสนาแต่ถ้าหกแล้วเนี่ยมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นท้าฟังตังหลายจะเห็นได้ว่า ผลตั้งหลายนั้นเกิดมาจากเหตุถ้าเหตุดีผลดีนี่แสดงเหตุมันเข้มข้นไปเรื่อยๆผลก็ออกประนีตขึ้นไปเรื่อยๆเลยภูมิจิตสูงขึ้นภูมิธรรมสูงขึ้นพบที่จิตอุบัติประณีตขึ้นจนถึงกหลุดพ้นจากพบไปเลยนี่ก็คือผลจากธรรมปฏิบัติต้องฟังกนหนยเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปฐุมในวันนี้ขอยยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจะมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี